บุกทูห้าสิบเก้าเอลลโดคุที่ทำการไพรสนีโพสต์านดนิดะที่ทำการไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน บร์สร o s t a n e ดะ o s t a n e ี่ที่ทำการไพรสนีใกล้จากที่นี่ไหมบิร์สโป o s t a n e ักม์มือบร์สโอน o s t a n e ักมมต้ไรสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ostakutusu ด ostakutusu ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงบิร์กัชพลาิทธยำจุนวาร์ราารสำหรับการ์ดและจดหมายบิร์การ์ดโพสต์ทลแลบบิรร์มกุปอิชินค่สาสา่งไปรษณีไปอเมริการาคาเท่าไหร่ อเมริ k a kadar? ya postage r e t i n ้จ่ a ยเ r อเมริก postage ค่าใช้จ่ายเท่าไหร r พัสดุหนักเท่าไหร่พ a เก็ตินน้ำเท่า a หร่พินเท่าไหรดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมท a งอากาศ i ดมทางอากาศด้ม ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงยีนเอุลาชมาสิเนกัตาร์ซูริโยรนเอุลาชมาิเนกัตาร์ซูริโอดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนเนเรดนเทเลโฟนเดบิลิริมเนเรนเทเลโฟนเดบิลิริมตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน บ i สสันแรกที่โทรศัพท์คุ e ั i สินนี่รึด e บิสสันแรกที่โทรศัพท์คุลับสินนี่รึด้คุณมีบัตรโทรศัพท์หมคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมครศ คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะอรอัุ้ณนูรอสยนั้นคุนูบิเลีร์มุสนุสรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะบิรดะคิกา บ, บากายมสายไม่ว่างตลอดเวลา ฮัตกูคุณต่อเบอร์อะไรรดนสคุณต้องกดศูนย์ก่อน nce ศูช meniz l a z m อ nce ศย์ช meniz l a z m